ความหลังในสังสารบทที่สิบเอ็ดหนึ่งหญิงสองชายหนึ่งชายสองหญิงเวลาสิบหกนาฬิกาแม่พิน ให้ผู้ปฏิบัติธรรมไปดื่มน้ำปานะและพักผ่อนจนถึงเวลา17นาฬกาห้าสิบนาทีจึงมารวมตัวกันที่หอประชุมอีกครั้งเพื่อสวดมนต์ทำวัดเย็นในเวลา18นาฬกาห้องพักของแม่เชิญศรีและมารดาอยู่ติดกับห้องแม่พินก่อนไปอินเดียสองวันท่านพระครูเรียกแม่พินมาสั่งว่าวันที่ท่านกลับจากอินเดีย จะมีคนชื่อเชิญสีมหาท่านมากับแม่ของเขาให้แม่พินช่วยต้อนรับแทนท่านด้วยเขากำลังมีทุกข์ทั้งแม่ทั้งลูกและตั้งใจจะกลับอายุทยาหลังจากพบท่านแล้วแต่ท่านรู้ว่าเขาจะกลับไปไม่ได้ต้องอยู่ปฏิบททัติธรรมที่วัดสิบห้าวันท่านจึงให้เงินแม่พินไปซื้อชุดแม่ชีไว้ให้คนทั้งสองคนละสามชุด นอกจากนี้ยังให้ช่วยดูและแนะนำเรื่องการปฏิบัติให้ด้วยแม่พินคิดว่าคนทั้งสองคงจะเป็นญาติสนิทของหลวงพ่อท่านจึงสั่งให้ดูแลเป็นพิเศษท่านพระครูบอกว่าไม่ใช่อย่างที่แม่พินคิดแต่ท่านยังไม่บอกตอนนี้วันกลับจากอินเดียท่านจึงจะบอกเพราะเรื่องนี้เป็นความลับที่ท่านยังไม่เคยเปิดเผย ให้ผู้ใดใครรู้มานานกว่าสองร้อยปีแล้วดื่มน้ำปานะเสร็จแม่เชิญสีก็พามารดากลับห้องพักเพื่ออาบน้ำและพักผ่อนหลอนรู้สึกยินดีที่รู้ว่าพระลูกชายในอดีตชาติของหลอนรู้ว่าหลอนจะมาวันนี้เมื่อเช้าหลอนตั้งใจว่าจะพามารดาให้ท่านช่วยดูว่าจะมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีกเท่าไหร่เพราะ หมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่หลอนพามารดาไปหาเมื่อวันวานบอกว่ามารดาหล่อนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่เกินสามเดือนหล่อนไม่ต้องการให้มารดาจากไปเพราะเวลานี้หล่อนไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งให้ได้แล้วเรือนหอหลังใหญ่ที่พระลูกชายในอดีตชาติของหล่อนเคยไปช่วยดูแลการก่อสร้าง ก็ตกเป็นของพี่ชายคนโตไปแล้วหลังจากที่นายโทแต่งงานกับหล่อนเขาพยายามที่จะฮุบสมบัติทั้งหมดที่หล่อนมีอยู่พี่ชายสองคนต้องคอยกันไว้เพราะหล่อนเป็นน้องสาวคนเดียวของพวกเขาและเป็นลูกสาวคนสุดท้องที่มารดาห่วงที่สุดเมื่อไม่ได้สมบัติของหล่อนเพราะมีพี่ชายคอยกีดกันช่วยเหลือไว้ นายโถก็เปลี่ยนมาพลานเงินหล่อนจนหมดเนื้อหมดตัวครั้นหล่อนไม่มีเงินเขาก็บังคับให้ไปยืมพี่ชายคนโตซึ่งฐานะดีกว่าพี่ชายคนที่สองหล่อนยืมเงินพี่ชายไปหลายครั้งและไม่เคยใช้คืนแม้แต่ครั้งเดียวพี่สะพ้ายซึ่งอยากได้บ้านที่เป็นเรือนหอของหล่อนเพราะหลังใหญ่กว่าและสวยกว่าบ้านพี่ชาย จึงยุพี่ชายให้โอนบ้านมาเป็นชื่อของพี่ชายเสียพี่ชายก็เชื่อพี่สะพายและบอกหลอนว่าเมื่อโอนเป็นชื่อของเขาแล้วนายโทก็จะไม่มีสิทธิ์อยู่และให้หล่อนย้ายบ้านมาอยู่เรือนเล็กกับมารดาหล่อนจำเป็นต้องทำตามนั้นทว่าปัญหาก็ยังไม่สิ้นสุดเพราะนายโทยังคงตามมารังควานหล่อนด้วยการเรียกร้องเงินก้อนโตเพื่อแลกกับการยา หลอนไปขอยืมพี่ชายอีกเพราะส่วนที่หลอนยืมไปครั้งก่อนๆ น, นั้นเป็นเงินประมาณครึ่งหนึ่งของราคาบ้านและที่ดินที่โอนให้พี่ชายทว่าพี่สะพายก็สั่งพี่ชายว่าไม่ต้องให้เพราะธุรกิดดอกเบี้ยทบต้นเงินที่หลอนยืมไปก็พอดีกับค่าบ้านซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่พี่ชายก็ทำตามที่พี่สะพายสั่ง นายโทจะมาทวงเงินจากหล่อนในเวลาที่พี่ชายไม่อยู่บ้านเมื่อหล่อนบอกไปตามที่พี่สะพ้ยสั่งพี่ชายเขาโกรธมากและทุบตีหล่อนเป็นพลวันหล่อนร้องไห้ให้มารดาช่วยเขาก็ขู่มารดาหล่อนว่าหากเข้ามาช่วยเขาจะบีบคอหล่อนให้ตายคามือมารดากลัวลูกสาวตายก็ยืนตัวสั่นเงยงกทำอะไรไม่ถูกเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง มานดาหล่อนก็เสียใจที่ช่วยอะไรหล่อนไม่ได้เกิดความเครียดสะสมจนกลายเป็นมะเร็งหล่อนเองก็เครียดเคยคิดฆ่าตัวตายแต่พระลูกชายในอดีตชาติห้ามไว้และอธิบายว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะจะต้องไปตกนรกหมกไหม้านานมากครั้นหมดกรรมจากนรกแล้วเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ก็ต้องฆ่าตัวตายติดติดกันถึงเจ็ดชาติจึงจะหมดกรรมหล่อนจึงต้องทนอยู่ต่อไปอย่างทุกข์ทรมานหล่อนไม่คิดจะรบกวนพระลูกชายเพราะว่าท่านมีงานยุ่งจนแทบไม่มีเวลาจัดจนหรือจำวัดครั้งสุดท้ายที่หล่อนไปกราบท่านคือเมื่อสองปีที่แล้วครั้งนั้นท่านพูดกับญาติโยมว่างานยุ่งมากญาติโยมบางคนเขาก็ไม่เข้าใจ หาว่าท่านเล่นตัวขนาดท่านขอตัวเข้าห้องสุขาเพื่อถ่ายปัสสาวะเขายังไปยืนเย่เย่อยู่หน้าห้องหลวงพ่อเจ้าขาเมื่อไรผัวหนูจะกลับเจ้าคะท่านเปิดประตูออกมาบอกนี่โยมจะไม่ให้เวลาอาตมาถ่ายหรือผายลมบ้างเลยหรือนับแต่นั้นมาหล่อนก็บอกตัวเองว่าจะไม่มารบกวนท่านหากไม่จาเป็นจริงๆ อีกเหตุผลหนึ่งที่หล่อนไม่กล้ามาวัดนี้บ่อยๆก็คือเมื่อครั้งที่ท่านไปช่วยดูแลการปลูกเรือนหอคนก็ไปลือกันว่าท่านจะสึกไปแต่งงานกับหลอนคนสมัยนี้ชอบมองคนอื่นในแง่ร้ายอิจฉาริษยาไม่เว้นแม้แต่กับพระสงฆ์องค์เจ้าท่านเคยพูดให้หล่อนฟังว่าท่านจะไม่มาเกิดในโลกมนุษย์อีก เพราะโลกมนุษย์มีแต่คนขี้เกียจขี้โกงขี้อิจฉาขี้ริษยาหล่อนเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่สําหรับหล่อนหล่อนไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดหล่อนคงมีกรรมที่จะต้องชดใช้อีกนานกระมังอย่างไรก็ตามแม้หล่อนจะตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่มารบ ก, กวนท่านแต่เมื่อวันวานเมื่อหมอบอกว่ามารดาเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หล่อนก็ตัดสินใจว่าจะต้องมารบกวนท่านเพราะมารดาเป็นที่พึ่งสุดท้ายของหล่อนพี่ชายคนที่สองขับรถมาส่งพี่สะพ้ยก็มาด้วยหล่อนตั้งใจจะไปและกลับในวันเดียวแต่แม่พินบอกว่าท่านสั่งให้หล่อนกับมารดามาอยู่ที่วัดปฏิบัติธรรมเป็นเวลาสิห้าวันพร้อมทั้งให้แม่พินเตรียมชุดขาวไว้ให้ หล่อนจึงให้พี่ชายกับพี่สะพายกลับไปก่อนส่วนพี่ชายคนโตนั้นไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวเมื่อรู้ว่ามารดาป่วยได้โรคร้ายบางทีเขาอาจจะอยากให้มารดาตายตายไปเสียเพื่อจะยึดเรือนเล็กที่มารดาอยู่กับหล่อนมาเป็นของเขาได้ยินพี่สะพายพูดอยู่บ่อยๆว่าเวลาแก่จะย้ายบ้านตึกไปอยู่บ้านไม้ซึ่งหมายถึงเรือเล็กหลังนี้ หลอนไม่ชอบพี่สะพ้ายคนโตเลยสมัยที่ยังไม่แต่งงานพี่ชายเป็นคนดีมากดูแลแม่และน้องชายน้องสาวอย่างดีทำหน้าที่แทนเตียซึ่งเสียไปตั้งแต่หล่อนและพี่ชายทั้งสองยังเป็นวัยรุ่นรั้นพอแต่งงานพี่ชายก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนหล่อนยังจาพระลูกชายเทศให้ผู้ปฏิบัติธรรมฟังสมัยที่หล่อนมาเข้ากรรมฐานครั้งแรกที่วัดนี้ เมื่อกว่าสิบปีมาแล้วท่านเทศว่าผู้ชายบางคนพอมีเมียก็ลืมแม่เรียกเมียว่าแม่แทนผู้หญิงบางคนพอได้สามีก็เรียกสามีว่าพ่อลืมพ่อที่ให้กำเนิดไปเลยอาตมาเคยเห็นกับตามาแล้วยังจำได้จนทุกวันนี้มีโยมบ้านหนึ่งเขาโทรศัพท์มาว่าจะถวายข้าวหอมมะลิสิบกระสอบเข้าโรงครัว เพราะเขารู้ว่าอาตมาเลี้ยงคนมากมีทั้งชาวบ้านชาววัดและอาคันตุกะสมัยก่อนอาตมาต้องหาเลี้ยงลูกวัดเพราะชาวบ้านแถวนี้อดอยากยากจนจะกินเองก็ยังไม่ค่อยจะมีไหนเลยจะมาเผื่อแผ่พระสมองเจ้าหัวอกสมภานใครไม่เคยมาเป็นก็จะไม่รู้ สิบกว่าปีมาแล้วมีโยมที่อยุธยาเขาบอกจะถวายน้ำปลาเข้าโรงครัวสิบหายอาตมาก็ให้สมชายขับรถพาไปต้องจอดรถไว้อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาข้างๆวัดตึกคดทิรันแล้วข้ามเรือไปฝั่งวัดชีโพนซึ่งติดกับบ้านเขาอาตมาก็ไปใช้กรรมที่นั่นคือตกกรงเล็กๆบนบ้านนั้น อาตมาเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นคือเห็นว่าเป็นร่องเล็กๆเท้าเราใหญ่ก็เหยียบคร่อมร่องที่ไหนได้ตกลงไปในร่องข้อเท้าตรงตาตุ่มหักปวดแสนปวดอาตมาก็ไม่บอกเจ้าของบ้านเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นพระเป็นเจ้ายังเดินซุ่มซ่ามพอดีอาตมามีคาถาพระโมคคัลลาประสานกระดูกท่องได้ แต่ยังไม่เคยนำมาใช้คราวนี้เห็นจำเป็นเลยลองท่องปรากฏว่าได้ผลจึงเดินไปนั่งอย่างอัศนะที่เขาจัดไว้ให้แต่ปวดแทบน้ำตาร่วงเลยอัตมาก็กำหนดปวดหนอปวดหนอแต่ไม่ได้ผลทำไมถึงไม่ได้ผลอัตมาก็มารู้ภายหลังว่าจิตของเรานี่รับอารมณ์ได้อารมณ์เดียว ในแต่ละวิถีการที่จะบริกรรมคาถาให้มีพลังต้องใช้จิตเป็นเอกกัตารมคือจิตมีอารมณ์เดียวอาตมาก็ต้องทนปวดบริกรรมพระคาถาโมคลาประสานกระดูกอย่างเดียวแล้วเจ้าของบ้านเขาก็ถวายเพลหลังจากนั้นก็ถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็ลากลับเวลาเดินปวดอย่าบอกใคร เพราะกระดูกข้อเท้ามันหักนี่เล่าประสบการณ์ความทุกข์ยากในครั้งกระโน้นที่ต้องหาเลี้ยงลูกวัดแต่บ้านที่เขาถวายเข้าสานี่อยู่กรุงเทพอาตมาก็ไปกับสมชายเขานิมนไปฉันเพนด้วยแต่อาตมาไม่ว่างจะว่างช่วงเย็น ก็เลยไปช่วงเย็นไปถึงเขากำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่อัตมาก็อยากรู้ว่ามีสเต็กรือเปล่าก็เลยส่งจิตไปดูโอ้โหอัตมาใจฟอแฟเลยอะไรรู้ไหมครอบครัวนี้เขามีกันห้าคนสามีภรรยาพ่อภรรยาแล้วก็ลูกชายวัยรุ่นอีกสองคนพอทานไปทานไป ภรรยาก็ตักแกงใส่จานข้าวสามีบอกพ่อนี่อร่อยฝีมือน้องทําเองประเดี๋ยวก็พ่อจา๋าผัดนี่ก็อร่อยเรียกสามีว่าพ่อส่วนพ่อก็นั่งมองเหมือนอยากจะให้ลูกสาวตักให้บ้างแต่เปล่าเลยอาตมารู้สึกเสียใจแทนพ่อเขาเลยตั้งสัจจะไว้ว่าถ้าบ้านนี้ถวายอะไรอีกอาตมาจะไม่มารับแล้ว ไม่อยากมาเห็นหน้าตาที่น่าสงสารของพ่อเขาคนอะไรได้พ่อใหม่ลืมพ่อเก่าญาติโยมผู้หญิงจำไว้นะอย่าไปทำอย่างนี้กับพ่อถ้าจะตักให้ทั้งพ่อเก่าพ่อใหม่มันจะเสียเวลามากไหมเนี่ยขอฝากไว้ด้วยโยมผู้ชายก็เหมือนกันอย่าหลงเมียจนลืมแม่เดี๋ยวจะทามาหากินใหม่ขึ้น มานดาหล่อนเปิดประตูออกมาจากห้องน้ำหล่อนรีบจูงแขนมาช่วยเช็ดตัวและส่งเสื้อผ้าชุดใหม่ให้แม่เหนื่อยไหมจ๊ะหล่อนถามมานดาวัยเจสองไม่เหนื่อยเลยมาอยู่วัดรู้สึกเหมือนมีกําลังวังชากว่าอยู่บ้านเราจะอยู่กี่วันนะมารดาหล่อนถามหลวงพ่อท่านให้อยู่สิบห้าวันจ้ะแม่ไม่สบายมาก ท่านจะได้ช่วยรักษาให้หายจากนั้นค่อยกลับบ้านหลอนไม่ได้บอกมารดาว่านางป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายบอกแต่ว่าไม่สบายมากแต่ก็แปลกนะพอมาอยู่วัดมันรู้สึกเหมือนไม่ได้เจ็บป่วยอะไรหรือว่าหลวงพ่อท่านแผ่เมตตามาให้ลูกล่ะรู้สึกสบายขึ้นไหมนางถามลูกสาวคนเดียวเรียกท่านพระครู ว, ว่าหลวงพ่อ เช่นเดียวกับที่คนอื่นๆเรียกสบายจาะแม่อย่างน้อยๆก็ไม่มีใครมาขู่เข็นจะเอาเงินหล่อนหมายถึงนายโทผู้สามีหล่อนไม่เข้าใจตัวเองว่าเหตุใดจึงเลือกแต่งงานกับเขามีอายการและผู้พิพากษามาชอบหลายคนแต่หล่อนกลับมาเลือกนายโทซึ่งหากินตามตีนโรงตีนศาลคืนนี้ หากมีโอกาสหลอนจะกราบเรียนถามหลวงพ่อซึ่งในอดีตชาติเคยเป็นลูกชายหล่อนท่านพระครูมาถึงหอประชุมเวลาสิบแปดนาฬิกาตรงเมื่อท่านเดินเข้าประตูมาผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนคุกเข่าประนมมือท่านเดินไปจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยแล้วจึงกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยโดยกล่าวนมธีระบรรทัด ผู้ปฏิบัติธรรมว่าตามการสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นนั้นหากพระอาจารย์มานำสวดจะไม่แปลเป็นภาษาไทยแต่ถ้าวันไหนพระอาจารย์ติดธุระมานำสวดไม่ได้แม่พิญจะเป็นคนนำและแปลเป็นภาษาไทยด้วยเพื่อให้ญาติโยงที่มาปฏิบัติได้รู้ความหมายของบทสวดทางวัดได้จัดพิมพ์บทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็น เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับผู้มาปฏิบัติซึ่งจะทำให้สวดได้ยอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ใช่ต่างคนต่างสวดเป็นพระคนลวัดเมื่อจบคำบูชาพระรัตนตรยัยซึ่งขึ้นต้นด้วยโยโสรภควาอรหังสัมมาสัมพุทธโตแล้วจึงต่อด้วยอุพพาคมนาการซึ่งพระอาจารย์นำว่าหันทะมยังพุทธะภควัตโต ปุพพาคามนาการังกรโรมเสผู้ปฏิบัติธรรมรับนมโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะสามเที่ยวแล้วต่อด้วยพุทธานุสติพระอาจารย์นำว่าหันทามายังพุทธานุสติยังกรโรมเสผู้ปฏิบัติธรรมรับตั้งแต่ ตังโขปณะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตตสุทโทอภุขโตจนถึงภควาติแล้วต่อด้วยพุทธาภิกขิติพระอาจารย์นำว่าหันทมยังพุทธาภิกขิติงกรโรมะเสผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่พุทธวารหันตะวระรตาทิคุณาพิยุตโตไปจนถึง กาลันตาเรสังวริตตังวะพุทเฐส่วนธรรมานุสติธรรมาภิกิติสังขานุสติสังขาภิกิติก็สวดแบบเดียวกันพุทธานุสติและพุทธาภิกิติต่อจากสังขาภิกิติเป็นอภินหปัจเวคขณะปาฏะพระอาจารย์นำว่า หันทะมยังอภินหะปัจเจเวกขณะปาทางพนามเสผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่ชาราธรรมโ ม, มหิไปจนถึงอภินหังปัจเจเวกขิตพังพระอาจารย์นำว่าอายังกายโยผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่อจิรังวัตะไปจนถึงเนรัตถังวะกลิงฆรังพระอาจารย์นำว่าสังขารา ผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่อนิจจาวัตตะไปจนถึงเตสังโวปัสโมสุขโขพระอาจารย์นำว่าสัพเพสัตตาผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่มรันติจะมริงสุจะมริศเรไปจนถึงนัตถิเมเอทหาสังสโย สุดท้ายคืออุทิศนาทิฏฐานักคาถาหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ากรวดน้ำตอนเย็นพระอาจารย์นำว่าหันทะไมยังอุทิศนาทิฏฐานักคาถายโยพนามเสผู้ปฏิบัติรับตั้งแต่อิมินาบุญยากัมเมนะไปจนถึงมารกสังและพันตุมา เป็นอันจบบทสวดรมวัดเย็นใช้เวลาประมาณ20สนาทีแต่ถ้าแม่พินนำสวดจะแปลเป็นภาษาไทยด้วยจะกินเวลาเท่าตัวคือ40นาทีเหลือเวลาอีก1ินาทีจะหโมงครึ่งท่านจึงบรรยายเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ผู้ปฏิบัติทำฟังโดยสังเกตเพื่อเป็นกำลังใจ ให้พวกเขาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดังต่อไปนี้เจริญพรท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอาตมาขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมสัมมาปฏิบัติที่วัดแห่งนี้หากที่อยู่คับแคบไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านก็ขอให้ท่านอดทนการมาสร้างความดีต้องมีอุปสรรคถ้าท่านอดทนได้ ท่านก็จะได้ของดีกลับไปบ้านแต่ถ้าท่านมาเพื่อแก้บนปฏิบัติเยาะเยะแยแยไม่ตั้งใจท่านก็จะไม่ได้อะไรกลับไปแก้ปัญหาชีวิตก็ไม่ได้จะทุกข์กายทุกใจน้ําไหลออกตาเหมือนตอนก่อนมาเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะมาทําไม่ให้เสียเวลาเสียค่ารถค่าเรือค่าทุนเปล่า เพราะฉะนั้นมาแล้วต้องให้ได้ของดีติดตัวกลับไปเป็นกำไรชีวิตการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าเจริญสติปัฏฐานสีขัน5รูปนามเป็นอารมณ์เราจะรู้วาระจิตของคนได้รวมหน่วยกิจไว้วันละเล็กละน้อยไม่ได้หมายความว่าว่างแล้วจึงมาปฏิบัตินะ การทำงานเช่นเขียนหนังสือก็ต้องกำหนดด้วยตาเห็นรูปก็กำหนดเห็นหนอเห็นหนอนี่ราคาหลายแสนนะจากยืนหนอห้าครั้งตั้งแต่ปลายผมลงมาปลายเท้าขึ้นไปแล้วเราก็ดูคนอื่นอย่างนั้นมันเห็นด้วยปัญญาเดินเข้ามาแล้วใครหนอก็กาหนดเห็นหนอเห็นหนอ ปัญญาจะบอกว่าคนนี้นิสัยไม่ดีคบไม่ได้เป็นมิตรตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงจะไม่ผิดเลยนะญาติโยมทั้งหลายเอ่ยถ้าท่านเป็นนักปฏิบัตินะให้มันสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็เดินจงกรมจากนั้นก็นั่งกรรมฐานทำให้ได้ทุกวันจนติดเป็นนิสัย วันไหนไม่ได้ปฏิบัติจะรู้สึกไม่สบายใจนอนไม่หลับท่านต้องฝืนใจนะถ้าท่านไม่ฝืนใจชีวิตที่กำลังจะขึ้นสูงก็จะไหลลงตามอีกแต่ถ้าท่านทามได้ชีวิตจะรุ่งโรจน์ชช่วงจะแก้ปัญหาชีวิตได้ฐานะก็จะดีขึ้นเงินไหลนองทองไหลมาเพราะปัญญาเกิดไม่มีอะไรประเสริฐเท่าการปฏิบัติอีกแล้ว การเจริญสติปัฏฐานสีมีความสำคัญมากอาตมาสู้มาสิบปีบวชมาสิบพันษาแล้วจึงรู้เกษาโลมานัคาทันตาตโจเรียกว่าตัจะปัญจกะก ร, รมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเป็นอารมณ์คือกรรมฐานที่ท่านสอนให้พิจารณาส่วนของร่างกายห้าอย่าง มีผมขนเล็บฟันหนังโดยความเป็นของปฏิกลหรือโดยความเป็นสภาวะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งตามที่มันเป็นของมันไม่เอาใจเข้าไปผูกพันแล้วคิดวาดภาพฝันฝ่ายตามอำนาจกิเลสกรรมฐานแประวัตที่ตั้งแห่งการงานหรืออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจใจหรือจิตจิตหรือใจก็เป็นอันเดียวกัน จะเรียบใจก็ได้จิตก็ได้หรือจิตใจก็ได้กรรมฐานจึงเป็นวิธีฝึกอบรมใจและเจริญปัญญาแบ่งเป็นสองแบบคือสมถกรรมฐานเป็นกรรมฐานเพื่อการทำจิตให้สงบหรือวิธีฝึกอบรมเจริญจิตใจกับวิปัสสนากรรมฐานเป็นกรรมฐานเพื่อการให้เกิดความรู้แจ้ง หรือวิธีฝึกอบรมเจริญปัญญาอย่างที่ญาติโยมปฏิบัตินี้เป็นแบบที่สองคือวิปัสสนากรรมฐานอาตมาแปลกรรมฐานว่าตำราคนเราต้องมีตำราคนใช้ตำราคนจึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์พวกที่บวชแล้วศึกเช้าเมาเย็นเพราะไม่รู้ตำราคนตำรานี้ไม่มีขายในตลาด ต้องทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนถ้าได้ตํารานี้คนเดินมารู้เลยว่านิสัยก็เป็นอย่างไรการเจริญสติปัฏฐานก็คือการทำตําราคนให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้ายังทำไม่ได้จะรู้สึกว่ามันยากเย็นแสนเข็นแต่พอทําได้แล้วง่ายมากเพราะจิตเป็นธรรมชาติคิดอ่านอารมณ์รู้อารมณ์ ในการปฏิบัติไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดแต่วิธีปฏิบัติคือให้กำหนดรู้ว่าคิดเรื่องอะไรแล้วปัญญาจะบอกเองว่าคิดเรื่องนี้ไม่ได้ประโยชน์เสียเวลาคิดไม่ก็บอกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรท่านศาสนิกชนทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรพุทธคลิสอิสลามพรามฮินดู ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ย่อมต้องมีความทุกข์มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นบางคนเกิดมาไม่มีความสุขกับเขาเลยมีแต่ความทุกข์กลุ่มอกกลุ่มใจน้ำไหลออกตาน้ำตานองหน้าทุกเช้าขำท่านศาสนิ ก, กชนทั้งหลายเอ๋ยท่านมาที่นี่ก็เพื่อจะมาเรียนวิชาแก้ทุกข์ แกปัญหาชีวิตใช่หรือไม่เส้นทางคดคือชีวิตของคนเส้นทางขึ้นขึ้นลงลงคือพรหมลิขิตเป็นวัตจักชีวิตอันที่จริงพระพรหมท่านก็อยู่ข้องท่านไม่ได้มาลิขิตชีวิตของเราแต่ประการใดตัวเราเองที่ลิขิตชีวิตของเราโดยกรรมคือการกระทําไม่ใช่พรหมลิขิต เป็นกรรมลิขิตสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมด้วยการกระทําของเขาเองบางคนพ่อแม่มีเงินทองแต่ลูกไม่เอาไหนเราเกิดมาเพื่อรอเวลาตายได้เพื่อรอเวลาเสียมีเพื่อรอเวลาหมดบุญกรรมนําแต่งเงานบุญเงาบาปติดตามเราทุกคน อาตมาคอหักเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2521เวลาที่ยง่5สเสลดเลือดจุกคอจุก จ, จมูกหายใจไใม่ออกแต่ปรากฏว่ามหาใจที่ลิ้นปีแทนคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายคือสติกับสัมปชัญญะผนวกบวกศีลบวกธรรมเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต อาตมาบวชแล้วมองย้อนกลับไปหาอดีตในชีวิตของเราว่าช่างเลวร้ายเสียเลเกินจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาจะยอมใช้กรรมทุกประการเดี๋ยวนี้คนเราปฏิเสธทุกข้อหาอาตมาจึงสอนเด็กเสมอว่าหนูอย่าทำบาปหลวงพ่อโดนมาแล้วหายใจที่ลิ้นปีเลือดเสเลตเต็มคออธิษฐานไม่ขอเกิดในโลกมนุษย์อีก มีแต่อิจาริษยากันฟ้าผ่าก็โดนมาแล้วฟ้าผ่าทำให้ระลึกนึกถึงที่เคยสาบานกับโยมยายเลยแผ่เมตตาให้โยมยายใครหนออยากมีทุกมีแต่ต้องการความสุขด้วยกันทุกคนเมื่อต้องการความสุขแล้วทำไมจึงไปสร้างทุกข์ให้คนอื่นเล่าท่านพี่น้องศาสนิกชนทั้งหลายเอ่ยอย่าเบียดเบียนทาร้ายประหัตประหารกันเลย เราเกิดมาเพื่อรอเวลาตายมิใช่หรือแล้วจะฆ่ารันฟันแทงกันไปทำไมล่ะถ้าท่านไม่ฆ่าเขาเขาจะไม่ตายกระนั้นหรือหรือว่าถ้าท่านฆ่าเขาแล้วท่านจะไม่ตายคนที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็คิดไม่เป็นแต่ท่านทั้งหลายที่นั่งณที่นี้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเราจะไม่เกลียดชังกัน เราจะสร้างความดีให้ตัวเราเองมาที่นี่มาสร้างความดีนะมาสร้างความดีให้ตัวเองให้ญาติพี่น้องแล้วก็ให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติก็คือตัวเราพ่อแม่พี่น้องเราผู้ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ตามเมื่อมาอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยก็ถือว่าเป็นชาติ ศาสนาก็คือศาสนาที่คนในชาตินับถือชาติไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมาม ก, กะต่อมาในภายหลังเมื่อศาสนาอื่นๆเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยพระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นศาสนูปถัมภกมิได้ทรงกีดกันกั้นขวางศาสนาอื่นแต่อย่างใด ทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่พระสนิกรของพระองค์อย่างเสมอภาคกันประเทศไทยของเราต้องมีสถาปันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปไม่ได้แต่อาตมาเสียใจเลือกเกินอาตมาเสียใจเลือกเกินเสียใจที่อีก 20-30 ปีหน้าคนไทยจะแตกสามัคคี แบ่งสีแบ่งกลัวนี่พวกตัวนั่นพวกอื่นพยายามทําลายสถาบันหลักของชาติอาตมาขอเรียกคนพวกนี้ว่าผู้ทําลายล้างผลาญเพราะเขาจ้องจะทําลายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคํานบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษของเราช่วยกันรักษามาเป็นเวลานาน และถ่ายทอดสืบสารมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอีกไม่นานท่านจะได้เห็นมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่พวกเขาทำเอาไว้ไม่มีใครไปหยุดยัง้งหรือห้ามปรามได้ท่านที่อยู่ณที่นี้ถ้าท่านยังไม่ตายซสียก่อนก็คอยดูกันต่อไปว่าจะจริงอย่างที่อาตมาพูดหรือไม่กลับที่พักแล้วไปจดไว้ได้เลยว่า วันที่เท่านี้เดือนนี้ปีนี้หลวงพ่อวัดป่ามะม่วงพูดอย่างนี้อย่างนี้ถ้าไม่จริงอาตมาให้ปรับจะยกหอประชุมหลังนี้ให้เลยเอาละ่ะเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจหรือตีตนไปก่อนไข่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือกำหนดรู้ได้ยินได้ฟังอะไรมา ก็ให้กำหนดรู้หนอรู้หนอโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งเราสร้างความดีของเราเขาไว้แล้วความดีจะปกปักรักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัยส่วนคนที่เขาทำไม่ดีวันหนึ่งเขาจะต้องแพ้ภัยตัวเองคนเราที่เกิดมาในโลกมีดีและเลวต่างกันดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ปรากฏในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่14ข้อที่ห9 6หน้าที่385ว่ากัมมังสัตเตวิพัจจติยธทิทังหินัปปนิตตายะกรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและประนีตเอาละนี่ก็หกโมงเย็นครึ่งแล้วให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติต่อจนถึงทุ่มครึ่งให้เดินหนึ่งชั่วโมง นั่งหนึ่งชั่วโมงสองทุ่มครึ่งอาตมาจะขึ้นมาอีกครั้งแมพพินช่วยดูแลให้ความสะดวกด้วยนะพระอาจารย์สั่งผู้ช่วยแม่พินบอกผู้ปฏิบัติทำคุกข่าวกราพระอาจารย์สามครั้งนายสมชายซึ่งนั่งรออยู่ข้างหลังด้านซ้ายมือใกล้กับประตูทางเข้าลุกขึ้นไปหยิบย่ามและเดินตามไปส่งท่านยังกุฏิ จากนั้นจึงกลาบลาไปหาลูกเมียต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของนายขุนทองตัวเขาจะมาอีกครั้งเวลาแปนาฬกาบนาทีของวันรุ่งขึ้น